ศาสนาเหมือนกับน้ำคือษาสำหรับช้าตล่างสือผู้ศักรกัทธซึ่งมีภานในกลายวาจาใจของพวเราใจที่พร้อมด้วยความโก ร, รีจดเกลียดตายอยู่ภานในตัวแต่ว่าเป็นใจที่ศักรกัทธจึงต้องชำระล่างโดย น้ำที่สศาสนาเป็นการสร้างงามความดีทั้งหลายมีนก็เป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดการฝึกหัดสติปัญญาการแก้ไขก็คว่าน้ำที่สะอาดเพราะคำว่าสาสนาธรรมก็ต้องรวมถ่นแบบนี้เข้าด้วยเพื่อสะอาดผ้าที่ไม่สะอาดก็ไม่ น, า น, น่าหุ่ง อะไอะไรก็ตามที่ไม่สะอาดก็ไม่น่าดื่มถอดชามถนงช้ไม่สอยต่างๆท้นไม่สะาดมันก็ไม่น่าใชา้จึงต้องชาระล้างให้สะอาดก่อนที่จะนํามาใชา้จิตใจเป็นของสกโสกไม่สะอาดมาดั่งเดิมันเป็นพื้นฐานอันนึ่แห่งความไม่สะอาดที่มีมาประจิตเพื่อเมื่อ ของกาลเวลาที่เราทราบดีทราบั่วดังที่เราทราบู่เวลานี้คุณต้องพ ย, ยายามชำางสิ่งที่สโกรดภายในกายวาจาใจของตนความมาสะอาดนี้แหละพาให้เกิดความทุกข์ความลำบากในพบน้อยพบไหน่ขึ้นอยู่กับ ควา ม, ะมสะอาดนี้เป็นมูลฐานของใจการทำละได้มากน้อยก็เชื่อตัดความทุกข์ยื่นทางเข้ามาเป็นลำดับคำว่าความโกิดแจเจเ็บตายก็คือสายทางแห่งความทุกข์ความลำบากนั้นเองถ้าเราจะสามารถ เก็บกวาดเอาภพชาตของเราที่เคยเกิดเจ็บเจ็บตายมาในวะะนัฏฏานี้แม้แกงคนเดียวเท่านั้นมารวมตัวเขา้ามารวมเป็นกองไว้ให้เราเป็นคนดูจะไม่มีอะไรที่น่ากลัวยิ่งกว่าดูพพชาติดูซากของตัวเองที่เกิดเจ็บเจ็บตายอยู่ ขี่กับนักในถ้วยแล้วรวมมาอยู่ในกองเดียวกันงบในกองนั้นไม่ใช่จะมีเพียงแต่ว่าชากมนุษย์ที่เราเคยเกิดเป็นมนุษย์แล้วตายจะมีชากอะไรบั้งเต็มไปหมดที่เราไม่เคยเห็นเลยเขาจะได้เห็นในกอ ง, องพบธาตุทั้งเราที่นํามากองมานั้นของบุคคลผู้เดียวนี้เท่านั้นน่ากลัวว่าในโลกมนุษย์เราเนี่ย แผ่นดินไทยเรานี่มันจะไม่มีซีกองด้วยซ้ำไปแล้วมันจะไม่น่ากลัวอย่างไรเรายิ่งอื่นที่เห็นว่าเป็นพิษเป็นภัยมาเห็นมากมายอะไรเรายังกลัวกันแม้แต่ผีเกิดมายังไม่เคยเห็นตัวผีก็ยังกลัวกันยิ่งเห็นตัวพิษภัยซึ่งเป็นเรื่องของเราเองเป็นตัวของเราเองไปมากองมาให้เราเห็นทำไมเราจะไม่กลัวเพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัว ทว่าซากผีก็เราเป็นผีให้เห็นจะทัดไม่ทราบว่าซากผีที่ออกไปจากเราไปเป็นเช่นนั้น่ะเป็นซากผีชนิดใดบ้างเป็นไปหมดให้เราเกิดมาในโลกนี้เป็นเวลานานเพียงไรก็ตามเรายังไม่เคยเห็นเลยทรากชนิดนั้นๆที่เราเคยเกิดเกิดเป็นมาแล้วแต่มารวมตัวให้เห็นอยู่เฉพาะหน้าเราในกองซากอันเดียวกันนั้นกองใหญ่โตขนาดไหนด้วยแล้วเป็น นาคของสัตว์ชนิดใดด้วยที่ครองเข้าอยู่ด้ว ย, ววยกันแล้วมันจะไม่น่ากลัวไงจะฉลบทลายนู่นเป็นไรไม่มีอันใดที่จะน่ากลัวยิ่งกว่าความพบความท่าของเราเล็ดซากผีของเราเราไปกลัวถึแต่ผีภายนอกไอ้ผีเรื่องของตัวเองที่แตแสดงตัวในพบในฉากิันนั้นแล้วรวมตัวเข้ามาเป็นให้เราเห็นประจันนี้เราไม่ ค, คม่อยกลัว ทีนี้เมื่อเราเห็นเช่นนั้นแล้วไม่มีอความกลัวใดในโลกนี้จะจะมากยิ่งกว่าความกลัวซากของเจ้าของท่านพอริยเจ้าท่านจึงสอนท่านทรงรู้ทรงเห็นถึงขนาดนั้นแล้วนํามาสอนพวกเราให้เห็นไัยให้เห็นเรื่องของตัวเองว่าเป็นความทุกข์ยากลําบากอย่างไรแต่พบธาตุนึ่งออกมาเกิดเป็นเพรินมนุษย์นี้ก็ามาสู่ทลายนัก ให้พบชาติอื่นหนึ่งสิที่มันน่ากลัวแล้วก็ น, น่าขยะบขยงความทุกข์ความลําบากควมทรมานเอาถาว่าเอาเป็นไปได้อีกเราจะตกนรกตกมาอยู่ที่ตรงไหนเป็นซากเปิดซากผีอะไรก็ตามให้มาเป็นซากมองเห็นได้ตามเนื้ออีกเลยแล้ยิ่งจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากมายอีก อีกทเพราะเราแม้จะเคยเป็นมาแล้วแต่ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้จำก็จำไม่ได้สิ่งที่เคยเป็นมาแล้วความจำนั้นมันหมดไปเสียโดยความจำไม่มีความหลงดูนั่นแหละเลยเป็นกำแพงกั้นทายที่เราเคยเป็นมาไม่ให้เราเห็นและก็เป็นเครื่องเสริมอยู่ในตัวให้เกิดความประมาก เหมือนนังว่าพบชาตินี้อัตภาพเดียวเพียงที่เห็นอยูรู้ดูนี้เท่า น, นั้นนี่นี่ก็เป็นกําแพงอันหนึ่งที่กั้นมาให้เราสามารถมองเห็นภัยในสิ่งที่เป็นภัยสําหรับตัวที่เคยประกาศไว้แล้วก็ทําให้เกิดความประหม่านอนใจเห็นประว่าตายหน้าศูนย์ไปซะอะไรเงี้ยก็มีจํานวนมากทอนไม่เห็นก็สุดยิสัยที่จะว่ามันมี แต่อย่างน้อยก็ควรเชื่อผูรู้ผู้ฉลาดดังที่เราทั้งหลายปฏิบัติตัวหนีนี้ก็ชื่อเป็นผู้ช่วเชว่อผูอรู้ผู้ฉ ล, ลาดนักปราชญ์ทั้งหลายท่านมองเห็นมีตาอันยืดยาวมีตานแหลมคมได้แก่ขยานคือปทุตเถ้เจ้าเป็นต้นที่ทรงพระนามว่าโลกวิถูรู้แจ้งเห็นสิ่งโลกรู้ทุกสิ่ทุกอย่าง รู้จนต้อพบเพื่อนฆ่าของสัตเกิดที่นี่ตายที่นู่นเป็นม า, ากน้อยเันไหร่ถึงเราจะไม่รู้ออ <c oughs> จำไม่ได้ก็ตามแต่ประมวลมาสู่ ปุจทจุนทุกทุนนก ท, ทุกทุวทากท้กทุก ท, ทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุนทุนกทุกทุกทุนทุกทุกทุกทุกทุกทุกทักทุกทุกทุกทุมประตูกทงกทุกทุกทุกทุกทุกทุ่ทุกทุกทุกทุกทุกทุกมุกทุกทุกทากทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทนกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกยุกาาทุกทุกทุาทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกท มันจะจําได้ยังไงแม้แต่เจ้าของมันเองมันยังจำไม่ได้ที่ม่เคยทำเหมือนนั้นแต่เมื่อจับตัวได้แล้วก็ให้ทราบว่าตัวนี้แหละคือตัวหัวโจกไปเชื่อทําสิดทั้งหลายเหล่านั้นจับเอาตัวนี้แหละใส่คุกศส่สลาไม่ต้องไปจับเอาเรื่องเอาลาวที่มันไปทำอย่างนั้นนี้เราก็ไม่ต้องไปจับเอานู่นแหละกี่เกิดมากกี่พบกี่ชาติที่มันเป็นเรื่องผ่านมาแล้วแต่มาจับเอาตัวปัจจุบัน ซึ่งเป็นตัวนักก่อโทษก่อกรรมอยู่ภายในจิตใจนี้ฝึกทรมานกันอยู่ที่ตรงนี้พยายามแก้ไขตัวเป็นพิษเป็นภัยที่คอยแสดงกาอยู่ทุกเวลามลาีหลักณณภายในใจของเราด้วยสติปัญญาของเรานคนชุดให้เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เคยมาจนส่านหนึ่งขันก็หายประมวลมาในทาตขันของเรานี้ เวลานี้มีทุกข์มากน้อยเพียงไรตั้งแต่วันเกิดจนมาทางถึงบัดนี้ธาตขันอันนี้แสดงความทุกข์มามากน้อยเพียงไรก็เต็มธาตเต็มขันเต็มตัวตลอดมาไม่มากยิ่งกว่านี้ไม่น้อยยิ่งกว่านี้ือเต็มตัวจึงไม่น่าสงสัยในเรื่องทุกข์ที่จะเป็นไปทางหน้าจะเป็นยังไงบ้างก็เป็นทํามนองที่เป็นอย่างนี้เอง ที่เป็นมาแล้วก็เป็นทางน้องที่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก่อคือเป็นสัตว์ต่ำต้อยสัตอาฆาพอย่างนี้อาจจะมีมากกว่าที่เป็นอยู่เวลานี้ในย่างไงก็ให้ประมวลมาว่าคือเรื่องกองทุกข์คุณเป็นสาเหตุมาจากความ ก, าเกาเดเจ็เจ็บตายนี่แหละเป็นสําคัญนั่นก็คือเรื่องของที่เหล่าดาราเนี่ย เป็นสิ่งที่พาให้แต่เกิดไปตายอยู่ในที่ต่างๆในทบชาติต่างๆสระมวนลงมาในจิตดวงเดี้ยวพยายามแก้ไขายอยู่ที่ตรงนี้สติพยายามฝึกฝนอบรมให้มีพยายามตั้งสติให้ใกล้คิดกับตัวคืออยู่กับตัวนั่นหละดีปัญญาใช้ความคิดที่แก่า โดยถื อ, อกองทุกจากธาตุจากขันอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณาและเป็นสิ่งลับปัญญาอยู่ในตัวจิตใจก็ดลยมีความโปร่งใสโดยอาศัยธาตุขันซึ่งถือว่าเป็นกองทุกนี้มาเป็นปุ๋ยเครื่องหล่อเ ย, ยี่ยงจิตใจด้วยการพิจารณาดูทางปัญญาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านอาศัยธาตุขันเนี่ เป็นตุย้ยหรือเป็นหินหลักกสติปัญญาให้คงกระดับเมื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้รู้หรอกขอบคิดแล้วความทุกทุกข์ก็ไม่ต้องบอกเพราะมันติดสิ่งเหล่านี้เองก็จะติดอย่างอื่นใดอันนี้เป็นหลักใหญ่ภายในร่างกายทั้งเรกพอติดขันห้านี่ติดขันห้าติดใจจะของมันต้องไปติดจางอืน่นรู้อย่างอื่ น, นรู้ขันห้า เลามันก็ไม่ท้นที่จะรู้ต้นเหตุรู้ลากงาเงาข้ามมุมของมันไม่ได้ได้แตใจดูต้ไหนายถ้าดูให้ชัดด้วยปัญญาด้วยความจดจอ่อมันก็เห็นความจริงจากสิ่งนั้นๆบรรดาอาการทั้งหลายที่มีในร่างกายของเรานี่ถ้าดูด้วยความคิวเถินดูสักแต่ว่าดูมันก็ไม่เพอเกิดปัญญานอกก็จะเกิดความลำคาญแะ่เท่านั้น เพราะนั้นเป็นเรื่องของโลกดูแบบโลกดูแบบธรรมผิดกันดูแบบธรรมดูด้วยความจดจอ่อดูด้วยทตัตติด้วยปัญญาูุบายต่างๆต้องเกิดขึ้นจากการดูในลักษณะพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเกิดความฉลาดแล้ะคมและลดปัดทิ้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ด้วยการดูแบบที่ว่านี้จิตกับอ๊ ธาตุกาขันนี่มันค่าเข้ากันอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันซึ่งในปิเลตเป็นผู้ไร้อยละเอาไว้เพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาสิ่งนี้ธาตุขันของเราดูมันทุกระยะทุกขณะพิจารณาถึงความตั้งขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นหญิเป็นชายและกําหนดพิจารณาถึงความส่วนความสลายลงไปถึงธาตุขันนี้โย ความเกิดขึ้นความดับไปหรือความตายความฉลายลงไปจนมีความชำนิชำนาเราไม่นับเที่ยวแต่เราถือเอาควา ม, มชำนิชานาความค่องแคล่ของอจิตใจในสุ่มสี่นี้ตามหลักความจริงอย่างจริงใจมีเป็นผลเกิดขึ้นจากการพิจารณาดูแท้ ถ้าดูเพียงผิวเขิเนดูสักแต่ว่าดูดูแบบโลกโลกดูแบบจนแบบจำไปแบบอะไรครงคงคงการไปอะไรอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์เพราะมัเป็นแบบโลกไะเสียถ้าแบบทำแล้วก็ต้องดูให้เห็นต่า ง, งความจริงของสิ่งที่จริงและมีอยู่ภายในตัวของเรามันยังไม่แตกก็กำหนดให้มันแตกได้วางกำหนดให้แตกลงไปตั้งขึ้นมา เพเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนั้นมันนี่ตั้งขึ้นมาก็แตกไปนี่ผสมกันขึ้นเป็นรูปเป็นการแล้วสลายตัวลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเปนไฟนี่เป็นนักธรรมชาติของของสิ่งอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะจิตเป็นเจ้าตัวกางเนื่องจากความมุ่งหวงของตัวเองถ้าให้เป็นเช่นนั้นจึงต้องในอบรมจิตใจให้มีความเฉลียวฉลาดด้วยสติปัญญาทันกับเหตุการณ์ คิดถึงเวลากล้าหารญกล้าหารเช่นเดียวกับความขี้ขลาดากลัวนั่นเองไม่ผิดอะไรกันนะับกลัวก็ค ว, วมากที่สุดสิ่งที่สัตว์โลกกลัวก็คือเรื่องความตายไม่มีสัตว์ตัวใดจะมีความกล้าหาญต่อสิ่งนี้เลยทว่าโลกดินแดนมีความมีความตายเป็นสําคัญที่จังกิตของสัตว์โลกให้กระทบกระทวนนึก ช, ช็อกช้าอย่างน่ะได้แก่วความกลัวตาย เมื่อได้พิจารณาเรื่องความตายนี่ให้เห็นชัดเจนตามความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะกล้าหามยิ่งกว่าใจอีกที่รู้เรื่องความตายเกิดความกล้าหามขึ้นมาเพราะการหลงเรื่องความตายทําให้เกิดความตัวการรู้เรื่องความตายทําให้เกิดความกล้าหามขึ้นมาในลักษณะเช่นเดียวกันนี่มันเป็นคู่คู่แข่งกัน ความกลัวกับความกล้าเป็นคู่แข่งกันในเวลาเดินา่างคือการปฏิบัติคือกำลังปฏิบัติอยู่แต่เมื่อได้ผ่านพ้นจากความแข่งกันทั้งสองนี้แล้วความกลัวก็ไม่มีความกล้า ก, ก็ไม่ ม, ค ม, กก ม, มีคือพ้นไปแล้วก็ไม่กล้าจะมากล้าหาอะไรอีกจะมากลัวหาอะไรอีกความกลัวจึงหมดความกระทบกระทวนความกระเพื่อมของใจก็ไม่มี ความกลัวก็เป็นความกระเพื่อมเป็นความขยาดจิตใจความกล้าก็เป็นความกระเพื่อมความขยาดจิตใจไปชนิดหนึ่งความไม่มีกล้าไม่ความไม่กล้าไม่กลัวเพราะความว่าพอบโดยสมบูรณ์แล้วนั้นไม่มีสิ่งใดมากระทบกระเทือนไม่ไม่มีความกระเพื่อมจิตใจต่อจิตใจเลยนี่เป็นสภาพคิดปกติจรือจริงมันล้วนนีคิดกันเ ในภูมินี้ก็เกิดขึ้นมาจากการพิจารณาความกลัวก่อนจนเกิดความกล้าหาญขึ้นเมื่อแก้ความกลัวได้ก็เกิดความกล้าขึ้นมาถัดไปจากนั้นก็แก้ได้ทั้งสองความกลัวก็แก้ได้ความกล้าก็หายไปเพราะเป็นสิ่งนี้ต้องชาระด้วยกันทั้งสองนี้เป็นสิ่งที่จะปล่อยวางด้วยกันทั้งสองอย่างเช่นเดียวกับคําว่าบาปและบุญบุญต้องว่าต้องอาศัยไปตลอด สายทางที่เดินอยูในวัฏสงสานี้แต่เมื่อได้พ้นแล้วคําว่าบุญและบาป ก, ก็ปล่อยไปได้ก็ปล่อยไปเช่นเดียวกันดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมว่าบุญยับปลาปะปะหิหนบุคคลได้แก่พระอรหันต์ท่านผู้บุญและบาปบรรลักษเสียแล้วนะคำว่าบุญก็เหมือนกับสายทางเดินของเราเราต้องการจะถึงจุดใดทางมีความจําเป็นต่อการ เดินของเราจนถึงจุดนั้นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วทางก็หมดความหมายก็หมดความจําเป็นไปคำว่าบุญนี่ก็ส่งถึงเราจนกระทั่งถึงมิมุติบุญกุศลที่เราสร้างมาทั้งหมดนี้เป็นเครื่องสนับสนุ น, นเราจนกระทั่งถึงมิมุตคือความหมู่พ้นเมื่อหมู่พ้นแล้วคำว่าบุญและบาปซึ่งเป็นส่วนสมมุติด้วยกันทั้งสองเงื่อนก็ผันไ ป, ไป นายแต่ยท่านจะสลาลัดปัดทิ้งบุญไม่ชอบบุญอย่างนั้นนี้เป็นความรังเกียจในบุญเป็นความขายกักขยงในบุญเห็นเห็นว่าบุญขึ้นแต่ความเห็นว่ามีคุณค่าแล้วบัดนี้กาเป็นศตรูขึ้นมาแล้วสลัดถัดปัดทิ้งเสียอย่างนี้ไม่ใช่เมื่อพอแล้วมันก็ปล่อยกันเองเช่นเดียวกับเรารับทานอาหารรับทานไปรับท า, านไปเมื่ออิ่มแล้วมันก็ปล่อยกันเองเช่นเดียวกันไม่ใช่จะได้เบืออาหารการังเกียจอาหารไประโหยตึก เสลือทหารอย่างนั้นไม่ใช่เป็นความอิ่มพอในธาตุขันแล้วมันก็ปลอดกันต์เองโดยหลักธรรมชาติทังหมดนี่คําว่าละบุญก็เป็นอย่างนั้นชนบาตรือความส้ามอ ง, งในตั้งใจตั้งใจตาตั้งใจถอนต้นอหตุทั้งหมดคืออะไรมันทําให้เกิดเป็นบาตขึ้นมาเป็นความสศรมองขึ้นมานี่อะไรเป็นสาเหตุแก้สาเหตุมันเมื่อแก้สาเหตุลงไปได้แล้วความเศร้ามองซึ่งเป็นผลมันก็ดับไป การแก้เหตุแก้สาเหตุแห่งความชั่วทั้งหลายให้ความสมองส่้นไปนั้นก็คือกะเป็นการสร้างกุศลไปในตัวคือความฉลาดขึ้นมามันมีความฉลาดมันก็แก้ถึงเหล่านี้มาได้เมื่อความฉลาดพอตัวแล้วก็แก่สิ่งนี้ก็ได้สิ่งนี้ได้เมื่อแก้ได้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วความความฉลาดก็หมดความหมายแต่เองคือมันผ่านน้ำมันไปดูหลักธรรมชาติเหมือนดังคําที่ว่าสติปัญญาอย่างนี้เป็นต้นเป็นเครื่องมือทํางานแก้กิเลตทุกประเภท พ้นประจักษ์ทตติปัญญานี้ไม่ได้เลยเป็นเครื่องมือสำคัญมากในการแก้ขีดเหตุทุกประเภทแต่เมื่อเวลาแก้ขีดเหตุซะจนหมดไม่มีอะไรเหลือภายใจิตใจนั้นทติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือก็ผ่านไปเองเหมือนเราเราปล่อยมือปล่อยเครื่องมือนั่นเองเพราะทงานเสร็จแล้วเครื่องมือก็ต้องปล่อยทัตติปัญญาเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป็นผลที่เราจะรงรับไม้ตลอดไป เป็นเครื่องมือไปฟังท่านพูดไว้เป็นไรธรรมาทิฏฐิสามารถสรถออก่อโตเป็นต้นเป็นมนัดนะฟังระวังมัดมักแปลว่าอะไรแปลว่าทางเดินหรือเครื่องมือทํางานก็ื่อแก้ปิเลตทางเดินของจิตนี่เป็นทางเดินอันราบรื่นดีงามปลอดภยัยเป็นมัดขิมาเป็นศูนย์กลางแห่งความถูกต้องดีงามทุกสว่วน ถูกต้องในการแก้ที่เดืตัญหาอาสวะทุกประเภทไม่มีเครื่องมือใดจะ เ, เหมาะสมหุือเหมาะที่สุดยิ่งกว่าเครื่องมือคือมักแป๊บนี้เนี่ยแล้วเป็นทางตรงแนวต่อมาผลนิพานก็คือทางสายนี้ทังยามัชชิมาเนี่ยแน่นั้นเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วความามัชชิมาซึ่งเป็นหนทางนี้ก็หมดความหมายเอง ถ้าถึงที่แล้วใครจะไปกรอบโคยหรือแบบถามอนุทางไปละไปละก็เป็นไปตามความติดเนี่ย ท, ที่ธันว่าบุญญา ป, ปาปะไปหน้าบุคคลผู้บุญญาบา ป, ปัน่าเสียแน่นะรักแบบนี้เองในทะละแบบตั้งใจฉลาดปัดทิ้งเป็นสิ่งที่น่าเพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะ่หวาดเสียวน่าเกลียดอะไรอนไม่ใช่อย่างนั้นถ้าจะได้กลัวขนทาง เขาจะปฏิเสธท้นทางทางไปที่เดินไปแต่เมื่อไปถึงที่แล้วมันก็ผ่านกันไปเองหรืหมดความหมากันเองอย่างนั้นต่างหากที้จิตก็เดินสุดทานอยู่ถ้าว่าจะอยู่พุท้าว่าอยู่ด้วยความรู้สุใจนะถ้าว่าอยู่ก็อยู่ด้วยความเมตสุใจ ไปด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่อยู่ด้วยความบริสุทธิ์ไปด้วยความบริสุทธิ์ทุกอาการไม่ไม่ไม่ละความบริสุทธิ์ทิกที่บริสุทธิ์แล้วเป็นเช่นไรนี่คือจิตที่ที่ผ่านพ้นจากภัยทั้งหลายเลยหมุดด้วยใหญ่นี่ธรรมพุทิเศส ท่านรู้จึกอย่างนี้ถาดขันก็เหมือนกับเราเราท่านถังนี่แหละมีการเจ็บการปวดใครไได้ป่วดเป็นธรรมดาปวดหัวตัวร้อนไม่ผิดกันอะไรนี่ก็ถาดขันมันเหมือนกันมันก็ต้องเป็นกองทุกข์เหมือนกันนั่นแหละเป็นแต่เพียงว่าจิตที่แยกตัออกได้โดยที่งเชิงแล้วนั้นไม่มีการกระทบกระเทืนของจิด นื้อาการของธาตุขันจะเป็นมากน้อยเกี่ยงไรก็ทราบตามอาการของมันที่สแสดงตัวโดวยทางปัญญาที่เคยทราบไว้แล้วแม้ปัจจุบันที่ปรากฏขึ้นมาให้เป็นความทุกข์เฉพาะหน้าก็ไม่หลงเพราะปัญญาไม่พาให้หลงนอกจากคำโงต่ตอนนั้นเองทายคนหลงนี่ปัญญาเมื่อได้แปลงเป็ุรูปอุปโภคหมดแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรที่จะมาหลอกปัญญาได้อีกเพราะเห็นชัดตามเป็นจริงอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติขาดตัวแล้ว ไม่มีอะไรคำเลิกเพราะฉะนั้นเริ่ถากขันจะแสดงไปเป็นตามอาการของมันในลักษณะใดก็ภาพตามลักษณะนั้นๆจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของของขันที่มันขนไม่ไหวมันสลายตัวลงไปก็เศร้ามันสลายตัวลงไปไจากผู้ตริผู้บริสุทธิ์ก็มาสลายไปตามภาพตามขันขึ้นเป็นตัวสมมุติผู้เป็นยิ่งมุดก็เป็นไปตามยิ่งมุิผู้เป็นสมมุติก็เป็นไปตามสมมุติของเขาเนี่ย ทางอันก็กินอยนู่นั้นนี่แบบจำมวนเรื่องความเกิดความตายทั้งหลายมามากมาน้อยจําได้มาได้ตา่างๆให้จำมวน ล, ลงมาในธาตุขันธ์ของเราของทุกทั้งมวลที่เคยเป็นมากี่ภพ ก, กี่ชาติจะจำมวน ล, ลงมาในกายในจิตทั้งเราที่กําลังปรากฏอยู่เวลานี้และแก้ไขก้อนลมที่จุดนี้ เป็นให้รู้ตามเป็นจริงของมันทุกแง่ทุกมุมทุกสัดทุกส่วนทั้งธาตทั้งขันทั้งจิตใจโดยเฉพาะจนกระทั่งไม่จนกระทั่งไม่มี อ, อะไรเหลือเป็นสิ่งที่ได้รับอยู่ภายในจิตใจให้รู้หลวงอีกเลยก็เชื่อเป็นผู้รู้แจ้งแจงตลอดในสัจธรรมทั้งหลายรู้เป็นโล ก, กวิถูรู้แจ้งโลกภายในขันท้องตกโลกคือขันรู้แจ้งโลกคือขันอันนี้แล้วก็หมดปัญหา ปัญห า, ราเรื่องความทุกข์ความลำบากที่เคยเป็นมาผูกกับปุ่งการก็มายุติจัดกันลงที่จุดนี้ในเดิมที่จะเป็นต่อไปข้างหน้าต่างพบงต่างขาดเกี่ยวกับจองอปา่าช้าเกิดแก่เจ็บใจในสถานที่นั้นพบนั้นพบนี่ก็หมดปัญหาลงในปัจจุบนันกิจที่บริสุทธิ์และด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องอำนาจ เ, เรื่องก็ยุติดเพียงตอนนี้และการแสดงก็ยุติเพียงตอนนี้เอาละบเจริญ <c oughs> มาตรงนี้เราไม่ทางไป รู้รือาเนี้าเกิมารู้แกไปยังไงแล้วก็รู้ขลังไหวลงไปขนาดไหนก็รู้ฮะเออไอตัวรู้ตัวนี้มันเป็นไลักหรืกมันจะเล่นลงไปได้อ๋อมันมันมีสิ่งที่เป็นกตรลักอยู่ในมันนั้นเราเราจึงพูดได้ว่ามันเป็นกตรลักได้ สิ่งที่แท้สิ่งนั่นคือสมมติที่เกแม้นนิดนึงก็เป็นสมมตินั่นแหละคือใจรักที่กินไปเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงเนี่ยตามอาการทั้งจิตทั้งสายดีสายช่วยมันมีอยู่ภายในจิตท่านว่าจิตเจริญขึ้นเจริญขึ้นเนความหมายทั้งว่าจิตมันค่อยอาการทั้งจิตค่อยดีขึ้นนะมันแสดงความกระหว่างอาจากแจ้งมาในเห็นชัดโดยลําดับดับลุกผ่องใสโดยลำดับดับนี่ที่เป็นการทั้งจิตทั้งนั้นแต่เราต้องเดินตามนี้ไม่เดินตามนี้ไม่ได้เพราทาอย่างนี้ เรงพยายามให้มันเจริญขึ้นเรื่อยๆความมันจะไปถึงจิดมันจะต้องไปแบบนี้ไปแบบอื่นไม่ได้เนะนนนียอั้ต้องบอกว่าจิตเวลาในจิตเจริญเวลาีนจิตเสือ่อมถ้าจริงๆถึงจะไม่เจริญไม่เสื่อมก็ตามแต่ว่าเราจะสามารถเอานั้นเอาไม่ได้เนี่ย อ, อันนี้มันอันนี้อยู่รอบตัวของจิตจึงต้องแก้ไขตรงนี้เข้าไปจะเรียกว่าจิตมีแรงนะเพราะถิงมันไม่พาให้มีเข้าใจ มันหมดแถวนี้แล้วอาการก็เป็นอาการที่แบบมันดีมันช่วงมันมีมันหมดทั้งหมดโดยประกันส่วงเข้าฝ่ายดีฝ่ายชั่วเอาที่พูดตะที้นี้ว่าปาปักเป็นเงาบุคคลคุณยะปลาปักเนีงาบุคคลบุญฝ่ายดีปลาปะเแปลว่าบาศฝ่ายเศ้าหมองที่ถ่ değil, านไม่เกิดความทุกข์เพราะมันผ่านนี้แล้วซึ่งเป็นอาการที่จะให้เกิดก็ให้เจิญให้ส่วนมันสองอันนี้มันเป็นคู่แข่งก แบาปกบุนเป็นคู่แข่งพอทั้งสองเยืนข้า ศ, าศึกิทนานเจนนี้มันก็หมดคําที่ว่าจเจริญไม่เสื่อมหมดเลยเพราะไม่มีสมมติเข้ไปแทกเลยนันก็มันพูดไม่ได้แหละที่ถ้าเจริญ ไ, ไม่เสื่อมเพราะมันไม่เจริญไม่เสื่อมนี่ถึงเข้าตัวพอแล้วเนื่าพอถึงขั้นมัจจิมาในหลักธรรมชาติท่า น, นถ้าพูดถึงหนึ่งเป็นสายผลแล้วก็เนี่แหละคหลักมัจจิมาผลมนหลักธรรมชาติเรืยกผลแห่งมัจจิมาในหลักธรรมชาติ ฝ่ายมากนี่เดินเข้ไปเดินเข้าไปก็เป็นมัจจุมาคือศูนย์กลางตรงแน่วต่อจุดหมายอันนี้พอถึงจุดหมายนี้แล้วอันนี้ก็เป็นมัจจุมาในหลักธรรมชาติคือมัจจุมาในสาผลนโดยหลักธรรมชาติสุดปฏิวัติกิตที่มันเคลื่อนไปนี่มันจะเลริอนไปนี่ไม่เหมะที่จะพูดอ่านได้ถึงเรกว่าอาการเรียกับอาการเรียกกิจอาการเรียกกรรมคือกิจที่ับไม่มีเวลา นาทีอะไรเขาจะเก็บยวข้องเลยเขามีการสถานที่ก็จะเก็บยวข้องกูยังไงหงักเนี่ยนั่งดีในลกลางวันนี่เดินดีกว่านั่ง อ, อ้อคุณธรรมาเงเอทนะฉันจะหันแล้วไม่ได้นั่งมันจะดีมากเกินไป้อ <c oughs> ็พามันเดินอนั่งมันง่วงว่าไงต้องเดินมากตอนคืนหรือสงนี้ อากเลยคือจิตมันแน้วถ้าใจมันพักนี้มันแน่วถ้าเราจินตนาทางด้านบัญญานี้มันก็หมุนมันละเอียดแล้วออกมากทู่สุดมันสุนทรภาพมันซึ่งไปทุกงเนี่ยทุ่งนึงของปัญญาถ้าขาดสารมันมันมันก็เบาตอนนั้นขาดสานมันช่วย